เป็นพระที่ดีมากชาว บ, บ้านชอบมากพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่มีอะไรแล้วกิเลสไมมีใช่ไหมใค้อยากจะฟังเทศตัวเสรทศก็ฟังใค้อยากจะคุยธรรมะเพิกความเข้าใจก็คุยฟังทุกอย่างเป็นที่รบแต่ว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างนิ่งอีกส่วนหนึ่งคือท่านมีอายุน้อยตา ย, ตายเร็วมีความสุขดีไม่ อ่ามันอยู่ก็ปวดต้อขีวดต้อยียยู่เข้าตายไปนิพพานไม่ยูเข้าอ่ะแต่โขาแบบไง <c oughs> อ้าวอายุได้ไม่นานเท่าไรอยู่วันปีนเศษเท่านก็ดิภายเมื่อท่านนิพพ า, า, านเช่าบ่ายเราทําการชาวนากิจคือเผาศพเผาศพแล้วก็สร้างเจดีย์ปัจจุกระดกไว้ไปที่ส ก, กาและก้องเขาต่อมาพราม์ผู้เป็นพ่อพราหม์ผู้เป็นพ่อก็คือพระพุทธเจ้าของ เ, ขเราเอง ไม่ใช่ใครพระเจ้าเนี่ดิเองมีลูกเป็นพระเจ้พระเจ้าเยอะแต่พระองค์ยังไม่เป็นแบบฉันเนี่ยยกาทรงมีลูกแต่หลายคนนี้ยังไม่มีลูกเลยก็เป็นนั้นว่าพ่อมีความคิดเถึงลูกาหายไปไหนก็ไปถามพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนถามว่าลูกของฉันไปไหนพาหมก็บอกว่าเขาเรียนน้นหน่อยเดียวก็จบจะให้เด็นคร เธอต้องการความรู้ยิ่งไปกว่านั้นฉันก็ไปฝากเขากพรเจพระยาที่ภูเขาคันธามาดท่านพ่อก็ตามไปที่ภูเขาคันธามาดก็ไปพบพระเจ้าพระยาที่จะ็รูสอนท่านบอกเขาเรียกับฉันไม่นานก็จบหลักสูตรแต่มีความข ย, ายามันหมั่นเพียรมากด้วยกําลังใจดีเขาขอแยกไปปฏิบัติตนในที่สงบที่หมู่บ้านนอนพรามผู้เป็นพ่อก็ตามไปอีก ว่าตามไปแล้วไปถามคนท่านน่ า, า, ารู้จักพระบัจเจ้าเจ้าชื่อนี้ไหมเขาบอกว่ารู้จักคนแถวนี้เคารพพระบัจเจ้าเจ้าองค์นี้จะบกทุกคนถามว่าเวลานี้ท่านอยู่ไหนเขาบอกท่านนิพานไปแล้วท่านพ่อก็เสียใจยโศจใจอยากจะพบลูกใหม่พบใช่ไหมถ้าถามว่านิพานไปแล้วเวลานี้กระดูกเขว่าที่ไหนเขาบอกว่าวัจจุว่าที่เจดีย์อันนั้น ให้ไปที่เจดีย์ทำความเคารพที่พ่อไหวลูกนะเคารพกราบตูดกระดกกระดกกระดกอย่างยกทรงกราบนะทำความเคารพก็คิดว่าเวลานี้ลูกเป็นพระบาทเจ้พระเจ้าจมีบุญใหญ่แล้วจะทําบุญอะไรไอ้เราก็เดินทางมาอย่างนี้ไม่มีการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรพอถูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปเอาทรายมา โรยพื้นที่ข้างๆจะดีรอบจะดีนะก็อย่าให้เรียบราบ่าใช่ไหมไปเรียบให้ไปทางเดินดีๆฮนะคนไปคนมาเวลาที่เขาจะเดินมาบูชายเขาจะเดิสะดวกๆไม่ไม่โผล่ไม่เส็งไม่เป็นหัวแหงนะแล้วก็ราการที่สองไปเอาไอ้พันต้นไม้ในป่าที่มันมีดอกมาปลูกรอบๆข้างๆทาง ใหประการที่สองนะัะประการที่สามไต่ขึ้ไปบนยอดเจดีย์มีของดีมามีคือมีผ้ากัมมาผูกเป็นธงเพราะไม่มีนั้นไม่แก่ผ้าบนตัวนะ น, นะวนี่ผ้ากัมมาไงถ้าไม่มีกัมมาแกจะแก้ผ้าทํำธงก็ไห น, นแล้วประการที่สีต่อไปก็เอาร่มที่กั้งมาผูกไว้บนยอดเจดีย์ สมเด็จพระจินาร์ศรีบรมราชันดาชสมานุปกตตกว่าพิกเวตัวก่อนวิสิทั้งหลายอา น, นิสงส์ท่านหลายที่ตายปุกขึ้ น, นการนีไปไปอา น, นิสง์ครั้งนั้นไม่ใช่อา น, นิสง์ที่จะถายทวดบร ร, รุิเศษสมสมาทร้งปุถิยคือหนึ่งการเอาทรายเข้ามาเกลี่ยพื้นที่รอบๆอย่างดีให้เป็นทางเดินรอบๆอย่ดีไปที่ราบรียทีําหมาคผู้เดินทาง ยิงปรากฏเป็นถนนใหญ่ระนาดพระนับแสงข้ามไปได้บสบายทายกว้างมากในราการที่สองการที่นำต้นไม้ในป่าที่มีดอกาปลูกข้างทางก็เป็นเหตุที่มีต้นไม้ทิพย์สองข้างทางสวยสดงดงามมากและก็รายการที่สามที่จะถากนำผ้าทำเป็นโพ้ากม่า ผูกยอดเจดียจึงมีเทวดาถือถทงเรียงรายตลอดสายถนนในรารการในสี่ก็พราะอาศัยที่เอาร่มที่มีมาผูกผูกยอดเจดีร์ก็เอาร่มจึงมียังมีพรมกลางล้มให้กับตถาคตและพระทั้งหมดอันนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริสัทอันนี้สง์เล็กน้อยที่อย่าเบื่อทาก็จงอย่าคิดว่าทุกคนมีบุญ น, น้อย วันนี้ทุกคนมีบุญใหญ่ตั้งใจเคารพ อ, องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศัสฉนาสัมมาธาัพุเจ้าส่วนมากก็เป็นคนมาจากที่ไกลตั้งใจมาโดยเฉพาะเว <c oughs> ลาการมาธรรมาทียมท่านก็มีสงลยอย่างหนึ่งจะตั้งใจสมาทานศีลเป็นละ ว, ว่ากันวันนี้วันมาวันมาค่านี่เขาจะเจ้าสอนเรื่อ ง, ของเขาเจ้าธรรมะอย่างขันสูงใช่ไ การตั้งใจสมาธินท่านเป็นสินมีศีลานุติกรรมฉนเป็นสมาธิเพราะเวลาเนี่ยทุกคนมีมีสมาธิในสิ่นทั้งหมดหรือีพออย่ายิ่งเป็นสิ่นแปดแต่สิ่นแปดที่รักษาไม่ได้ตลอดวันก็ไม่เป็นไรถึงเวลาหลังเที่ยงใหม่หลังเที่ยงไปแล้วกินข้าวได้เอาล่อไว้จะแค่สิ่งห้าพอสิ่งแปดมันต้องเป็นสองสิ่งแป หากินข้าวและรักษารักษาสินทาเขาเลยจะส่งสิน2 5าวันทั้งวันนะแค่ไม่ขาดชีเละสุขต uh ิมยันติพูะเจ้ากลราว่าการปฏิบัติศีลไม่เห็นจะมีความสุขต้องชาตินี้จะไปสวรรค์ได้ชีเลตโพกสมมัชชาอนั้นหน่อยที่การปฏิบัติศีลนัมีความสุขในราภยศในในในทรัพย์สินต่อไปมันก็ลำเหนวยมาก ชี้แรงในทิศนิพพานทฏิปฏิญติสินเป็นประจัยปัญญานได้โดยง่ายวันนี้ความดีของท่านอย่าลืมมาว่าทุกคนเวลาชาลสาวโสสุตสินถ้ามนมีความจําเป็นจริงจริงตอนใบอดข้าวไม่ได้ก็ไม่ต้องลาสินแปดตั้งใจรักษาสินห้าสินแปดอย่างคงโถยังมีอันสง่งสินห้าก็ได้อันส่งต่อไป แล้ก็บริการในสองทุกคนมาถวายสังฆทานเป็นโตแล้วก็ถวายอาหารพระกัเป็นสังฆทานใหญ่การถวายสังฆทานในบรรดาธิวตริสัทธ์ทั้งหลายอานิสงส์ที่เยือกเยิ้งได้จากสังฆทานจริงจริงยังต่ำเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้านะไม่ใช่ชั้นดาวดึ เขาเร่ยว่าชันน้นในมาราดีมีความสวยสดรงามมากมีวิมานใหญ่มีร่างกายสวยมยีสมีกายสว่างสวัยมากแต่ส่วนใหญ่ที่ไปดาวดึงก็เพราะว่าต้องรู้จักดาวดิงตั้งใจแวะก่อนนอันนี้สงูงทาของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆทานท่านถวายแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้ว ขึ้นเจี่ยวความยากจนขินใจข อ, องท่านจะไม่มีถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดแดนใดที่มีความดุลมสมบนญผลสุขจะเกิดที่นั่นที่ไหนมีความยากแค้นจะไม่เกิดที่นั่นจงกว่าจะเข้าถึงนิพพานและวัการนี้สามทุกคนตั้งใจฟังวัทธมเิธนาเป็นคําสั่งสอนกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การฟงว่ธรรมเทศนานิสเป็นกรรมฐานการนึกถึงการให้ทานก็เป็นกรรมฐานไม่การวันนี้ว่าเป็นกรรมฐานกรรมการตั้งใจว่าจะมาถวายทานกับพระสงฆ์เป็นจารทานนริตกรรมฐานเป็นฌานแล้วนะการตั้งใจรักษาศีลว่าใช้เวลาในน้อยก็เป็นฌานการตั้งใจถวายทานเป็นจารทานนริตโดถไทยก็เป็นฌาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถาวายทานเป็นทานนบารมีแล้วนอกจากนี้อณนนิสงส์ที่บรรดาทางพุทธบริษัทจะเพิ่ได้ก็มีหลายอย่างด้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาน้ทิวัดค่าทรงที่เพื้นคอกรีตเห็นห้ยมพื้นทางเดินนี่เป็นคอกรีตเดี๋ยวไปดูที่หน้าวิหาร100รอยเมตรเกือบจะเต็มแล้ว แล้วก็ไปดูที่ยี่ห้าไร่ก็เกือบจะเต็มแล้วพื้นคอนกรีตนี่ก็ใช้เงินนิดนิ ด, นดหน่อยไม่มากเงินน้อยน้อยนะไม่แพงอกนะก็ตาตราเม็ดจะหนึ่งร้อยบาทก็แค่เม็ดนะถ้าใครสร้างเม็ดเดียวชาติหน้าก็มีบ้านทั้งสาม ก, ก็คุมก็จะยังมีมากไงกค่มีเม็ดเ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดียวมา ต่างตั้งสาวสาวเดียวแล้วก็มีบันไดลงไม่ได้เลยพื้นที่ต่อใต้เสาลงต า, าง <c oughs> ต, ตรางเม็ดละร้อยบาทแต่ลงทุนเต็มพื้นที่เพื่อนแรกจุดเดียวเฉพาะที่ยี่ห้าไร่กับที่วิหารรอยเม็รก็มีที่เทใหม่จริงๆประมาณสี่สิบไร่ ตาที่มาทั้งหมดจริงๆห้าสิบลายกว่าก่ <c oughs> เทมาแล้วก่อนก็มีทุนแล้วทั้งหมดสองล้านเศษเศษตั้งแต่ก่อนที่ซอยไซลงลมาทำบุญกันมาหนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยชิ้นหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนสองหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้เรวมแล้วนะรวมทั้งที่ทำาก่าวทำใหม่โดย <c oughs> แต่ทุนที่สร้างิจริงๆก็หกรุ่นแรกจะหกล้านสี่แสนบาทฉันก็เก็บเงินเงินเหลือจะเดินก่อนสองล้านบาทเงินเหลือจะเดินนี่ประมาณห้าแสนบาทผสมใส่เข้าตัว <c oughs> โลความว่ า, วายัางเป็นนี่ประมาณ 3, 000, สามล้านเศษเศษยึดหน่อยลูกชั้นชั้นรวยเหนือคน้ํามั่งคนนี้มั่งใช่ไหม ก็เป็นว่าทําพื้นที่อย่างนี้มันก็เหมือนกับพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าทําให้แก่พระวจีพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่นั่นท่านทำด้ความเป็นคนจนแต่ฐานะ ก, ก็ไม่น่าจะจนนักแต่ถ้าว่าเป็นคนเดินทางเอาทรายเข้ามาเคลียใช่ไหมให้เป็นทางเดินที่เราทาดีกว่านั้น <c oughs> ก็เป็นคอนกรีต <c oughs> เราเป็นลูกของทำดีกับพอ่อสบายอวิชาถวบุตร เพราะเรามีเวลาทำทุนถ้าถามว่าการตัดชิ้นใจตัดชิ้นใจเมื่อไรฉันจะตัดชิ้นใจมานานแล้วฉันมองมาหลายปี <c oughs> ว่าพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดอย่างหน้าวิหารเนี่ยก็มีคนมาแนะนำบอกคนจะทำให้สนามหญ้า ม, า, ามันจะสวยสดงดงามฉันก็เอาสนามหญ้าฉันก็เอาจะทำแบบนั้นแบบนี้ฉันก็เอาฉันชอบ ก็ทำ ส, สวยๆดอกไม้ประดับประดาเอาหญ้ามาปูใช่ไหมพอถึงเวลาจะทําเสร็จพระพุทธเจ้าอม ม, มาถมมาแตงคุมอยู่ถ้าบอกแกจะเอาไงก็เอาฉันไม่ว่าแกแต่ฉันจะเอายี้นี่ของแกจะทําสนามหญ้ากแกก็ทําไปจะปลูกดอกไม้แกก็ปลูกไปแต่ฉันจะเทพืชโซฟี ือการทำสนามหญ้า น, นํานมันสวยแต่ว่าที่จอดรถไม่ได้การที่ไ่นการที่สองสนามหญ้ า, นนาต้องใช้เงินทุกวันรถน้ำก็ต้องจ้างคนน้้ำขึ้นมาก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนจากคนกับสึ่งล้อเอาเงินเขาไวบ้บะชาวบ้านาไว้ถลมทลายทำไมพ่อดาวเลยสบายมากถ้าไม่จะด็ดยาจะพูดถึงฟัง บากถ้าเป็นด่านให้เป็นด่านยกทรงไปนะถ้าบอกเป็นการไม่สงวนเอาอย่างนี้เทพพื้นคอนกรีตให้หมดแล้วแบ่งจุดด้วยเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนๆกลูกต้นไม้เป็นจุ ด, จดใช่ไหมรถมาจอดก็จอดง่ายเดินก็เดินสะดวาากโคก็ไม่กัดโคมาก็กง่ายนี่เป็นความสระสงค์ขเจ้านะแล้วถ้าบอกอะไรสงต่อไปเธอก็ดูอะไรสงของฉัน สมัยที่ฉันบูชาพระประเจพุตเจา้าอันไหนแค่เอาทรายมาโรยให้ที่ราบเรียบอานนั้นทรายมาเยัเรียบเรียบไม่เท่ากับพื้นพื้นสคอนกรตเฉะนั้นท่านกันเลยย้อนถามมาบอกว่าสมัยส่วนก่อนของเธอย้อนดูไปทีเกิดมากี่ชาติทําอะไรบ้างแม่โอ้จริงๆริไอ้พื้นในฉันทำทุกทุกชาติถนนทำทุกชาติอาคารทำทุกชาติใช่ไหม ชาตินี้ที่มีบ้านเล็กๆนั้นร้อยไม่เคยที่อยู่เขานะมีเจ้าที่แค่สองไร่บ้านสองร้อยไร่บ้านเต็มหมดเล <c oughs> ี้ยงเลี้น้อยแต่บ่อนี้อันนี้สงเกลีวของเธอเพ่อก็ฉันช่วยท่านช่วยด้วยเนี่ยฉันต้องการเลื้อฟื้นของเก่าของเธอให้มารวมตัวกันครั้งนี้พ่อหลายพ่อลูกมากหลานมากไอ้ลูกไอ้หลานทุกคนมังเกิดติดตากันมาทุกชาติเนี่ย อระเทชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเขาเจอก็ให้เป็นชาติสุดท้ายของมันซะด้วยไม่ปไมปด้วยกันที่อดตายเราคนแก่ใช่ไแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครื่อบปเพศนี้เป็นความสุขที่ให้ให้ความสุขแก่คนทุกคนที่มาถ้าเราให้ความสุขกับเขาความสุขไม่กับพวเรา ว่าโดยเฉพาะอย่างนี้ขึ้นที่ยวความตกสามซุดตัวลงจะไม่มีสำหรับคนสร้างพื้นเพะพื้นมันหนักใช่ไหมบุญใหญ่จริงๆเขาต้องเดินทุกวันโะ้กุติเนี่ยมันนันนัยขึ้นทีเวลาจะ น, นอนพื้นต้องใช้แต่พื้นที่ทําที่ยี่สิบห้าไร่กับที่ร้อยเมตรนียังไม่พอที่รับแขกให้ทําอีกค่อยๆทาไปถามว่าเงินที่ไหนบ<อ>ัง<อ>เงินใดกระตามถ้ามันเหลือทําไปเลย ว่าถ้าทำเนี่ยไม่เหลือถ้าไม่เหลือก็นี่แกไปนี่เขก่อนก็ต้องนี้ไม่เข้ไม่ได้ทํำก็ทํำเรื่อยๆมาจนกรทั่งหมดเงินไปหลายล้าน่ะช่าเยร่องบอกบุญนะเขาจะบอกใหะทราบก็ลงความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบในสงฆ์หลายอย่างนั้วนะเพงเทศมาเทศไปพระกินข้าวแล้วที่ไม่หิวไอโยมยังไม่ได้กินใครหิวข้ามายกมือพี่ เดี๋ยยถ้าหิวยัเทศตต่อไปทำไมอ้าว เ, เอานี่ฉันรู้สิษย์หโตยังยังไม่หิวเอไม่หิวทอดจัดเทศต์่อไปหน่อยอีตอนนี้ประเทศเล่าส่งกันฟังเมื่อกี้เขาบอกความถนัดนะก็สมัยหลวงพ่อโตสมเด็จพระอาจารย์โตน่ท่านเป็นพระราชานะไม่เรียงลำดับ ท่านเป็นราชาคณะชั้นต้นสามัญเลื่อนไมท้ทีเป็นยงินเทพเลื่อนไมท้ทีเป็นสมเด็จไม่ได้ข้ามมุดมาถ <c oughs> ้าข้ามี่พวกจกับขา้ลก็ตลกล้มต <c oughs> ายทั้งนี้เพราะอะไรเ่าะสมเด็จว่าต่อไอ้หนูยิ้มข้าไม่รู้เอยข้าไม่ยิ้มไม่ยิ้ม ไม่หิววุฒบัญเทศอยู่เนี่ยเยวใครมันยก ม, มือหิวเมื่อเทศไม่จบอ่ะการธรรมดาต้องเทศในคนมีความสุขใจใครยังมีความทุกข์ลำบากอยู่เทศอยู่นั่นถ้ายิ่งหิวยิ่งเทศเทศมันหายหิวไม่ได้ใยวันนี้ขาขาเดินไม่ได้ไปข้างฉันน่ะต้องนั่งรถต้องนั่งรถอ่ะ สรงพระเจ็บขามาเจ็บเฉยเฉยไม่รู้มันเป็นยังไงอยู่ๆกลัไปอย่อยอางซอยสิโลมัเจ็บเาดินไม่ได้คล้วที่พระอ๋อเป็นเพราะเรืองไม่เต็มเออใช่ใช่ใ ช, ใช่ต้องดีเทปหนูให้เต็มนะทุกคนนะไม่งั้นจะไปข้าวอย่างาอั้่ต้องแบกนะอแล้วได้รียกันนี้ว่าห้าโมง อา เ, าเรเรียงเขาตัวให้ฟังอ เ, อเอาไหมเอาไหมเอาคนเดียวเนี่ย <c oughs> มันไม่เป็นเอกฉันขยายใหญ่จะฟังเยอะเพ่มขึ้น <c oughs> เออใช่ได้เอกฉาชันหลองพ่อโตท่านเป็นขมด็จแต่ความจริงหลวงพ่อโตจริงจริงท่านเป็นลูกรอดหนึ่ง <c oughs> จริงจริงไม่เชื่อไปถามรอดนึ่งเลย <c oughs> ที่จะผพานพูดที่เคยเคยถามก็ท่านแล้วนยท่าัยอมรับโอ้ยนิ้งนิ่งรับโดยการดูใจภาพแบบพระพุทธเจา้าไ<ช>ว้แล้วพระเจ้าแต่ใครเขาจะมนันใช่เฉยใช่เฉยแ ส, งยสดงว่ารับคือว่าเรื่องมันอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าต่ากถินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมพระทิศเลยคร ก็ไปสังเกตทัพพมา่าจะเข้ามารอนึงก็ไปวางแนวทหารไว้ทีวันหนึ่งก็ออกไปจจดแนวทหารออกไปโจมแนวทหารก็ไปเจาก็ะท่อมก็ะท่อมหนึง่งให้ตังให้ลูกหนีย อ, อมให้ตังเข้ามาัน น, ก น, นึกว่าลุกหนี ก็กล we well. in ับไม่ได้เลยเลยรดเดีดยด็ดเด็ดเร็ดใครใครจะจะ้ฟังสภาาสบายคือว่าท่านก็ไปดูทหารขับรนแนวก็กลับมาก็ยองยอไเจอกระท่อมกระท่อมหน่งอยู่กลางนาแต่ปรากฏพระราชวิดาและพก็แม่เขาสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดี เขาย่องไปตรงติงตรงติงตุงติงใช่ไหมน่ะก็ไปท่อเป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาเขาเห็นว่าเป็นแม่ทัพใหญ่เ้าเลยเียกลูกสาวให้เมื่อขณะที่ขัดตาทัพกันอยู่ที่นั่นครับปรากฏว่าเขาไม่นานนักมนะันกนะ็เป็นรีเนี่ยเป็นตั้งแต่ว่าลูกก็เกิดเกิดพระคันตั้งคันต่างโคตรขึ้นมา ตอนที่ยกท้ากลับก็เอาผ้าคาดเอวจังเต็มยศให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกเข้ากรุงเทพเอาผ้าคาดเอวนี่ไปด้วยผ้าคาดเอวถึงยศใช่ไหมให้หเรไรไปเริงเริงรัก น, นี่เป็นอาวาต่อมาภายหลังท่านท่านเกิดขึ้นมาบทเลนบทอัตราว่าเลยไปมาเข้ากรุงเทพก็เป็นเลน ถ้ามีผ้าขาดเอวตีเขาไปก็ก็าจะว่าเวลานั้นรอนหนึ่งสวรรคคนแล้วร้ อ, อนเข้ามานี่พ่ขอขอาตายพ่อตอไปแล้วแต่ ว, ว่าประเด็นยูย่ออรอแสดงผ้าขาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอนหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาอไปเลียงเขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเคราะห์เพราะ ม, มันรบไม่ได้ว่าไมเป็นโหดชัดใช่ไหม ก็ตอ่ตอมาต่อมาก็บทพระกับเรียนจบพระใจวิจด้าะใจพิจดแตกฉันมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปใชมิทายานตีก็จบพระใจพิจดอย่างเดียวมันยังโง่บัดซกอยู่คนอ่ะเชือกดาษแต่ว่าไม่จบพระใจพิจดอย่างเดียวเป็นไปใชมิทายานแตกฉันมากเวลานั้นรอสีก็บทก็โต้ก็รอสีที่เจ้าจะรอสีก็ทราบว่าเป็นเจ้า ยิ่งว่าถือด้กันเองต่อมาเมื่อเมื่อรอสีบวชแล้วก็สิกออกมาเป็นกษัตริย์รอสีก็ตั้งให้ของโคโตเป็นพระราชาณชั้นสามัญแล้วในมณฑลเขมรเทศในบังเรื่อยเตี้ยไปเตี้มาก็ผลสุดชอบใจก็ตั้งเป็นพระราชาณเลื่อนเป็นชั้นเทศไปเลยพระสีใช่ใช่ เลื่อนไปปรเทศหน่อยเดียวไม่ชาก็เลื่อนไปสมเดม็จพระธาตจันโตโตไม่เช่เล็ก <c oughs> ก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาแบ่งกันอยู่บ่อยๆก็เราสี่เนี่ยก็คอก็นี่ก็ตัดใส่เปละอย่นะเข้าไปเทศใน ว, วังอีเข้าหนึ่งเทศยังไงจะ ไ, ไปโลกประเทศเรื่องประวัติสายความเป็นมาของไ้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นนะ ไอ้ไอ้พี่ไอ้พี่อาอกเป็นเมียตะว่าไปว่ามาฮะเกิดมก็ลูกอเดียวแม่เดียวการไอ้พี่ใช่ตอน้องมาเป็นเมียไอ้ไปมาเมื่อลดลดมันก็ลามมาถึงไอ้กษัตริย์สมัยพระเจ้ากสินเนี่ยถึงเทพรอสีกรดช่งถอดเจ้าสมเด็จอันนี้ช่งถอดเลยถอดจำได้ถอดก็ไม่เป็นไร ขอดยังไม่พอขับออกนอกประเทศอีกห้ามดยูในขอาวคานาีมาไปไงถ้าเป็นเนจ้าคุณร่าเจ้าขมยานก็ตายห่าไปแล้วไม่รู้จะไปขที่ไหนมาถ้าจะลุกมาทําก็ไปบ้านเขาไม่อยู่เราก็ไม่ต้องอยู่อยู่บ้านของเราเน่ยโอ้เบงไม่ใช่ไม่ใช่ยอดท่อเทียนกัน คนนั้คนนันโกรกแลนี่โกรแล้วมาไล่กขาไปไปนอนในบวัดพระแก้ว เ, เออถ้าเป็นแสงก็แง่แกไปแล้วเกดไม่มีทางไปไหนพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้าน้างามไปไล่อย่างวัดพระแก้วท่านบอกเฮ้ยนี่มาที่วัดไวไม่ทียืนอยู่หัวนี่ยืนหัวไม่มีสิทธิที่วัดวะ ที่ที่ขาสงเอาถึงเลยะพราะานอนนันถึงถึงบ่ายปวดตขีทั้งเยี่ยมของเราไม่รู้ปวดตขี้ขนนั้นต้องเยี่ยมอย่างนั้นนะพอถึงตอนบ่บ่ายที่หัวก็สั่งเจ้ที่ไปเขาบอกว่าเอาเนี้แล้วกันออนุญาตให้หัวโตวเข้าขอบคนะสีมาได้ก็ อ, ออกจากปกบุษแกว้วเดินท่อมท้อมท้อมมาที่ธาตุทีทาะจันไนดะ้จะข้ามฝาก ย่า ห, หัวก็สั่งให้เป็นนักงานเอาพัดสมเด็จมาถวายถามทำไมเพราะยาหัวสั่งพัดสมเด็จถวายบอกเคยไม่ได้ละไป่ได้ ไ, ไดอ้าใครเขาตั้งสมเด็จกลางถนนวะมีหรือวะตั้งสมเด็จการถนนทนนทางแม่ไปย่หัวมึงไม่ไดเรื่องมีอย่างนี้เชืออะไรดูถูกกันดีกว่าตำแหน่งสมเด็จตำแหน่งเล็กน้อยนะ ที่ก็รัทั้เรื่ข้าวฝามาเจาระจ้างจ้าจ้างเจไว้ทางใจลุงเจารจ้างเองคุณเหลือเป็นสมเด็จัก็ได้ะเวลาีไม่เด็จะไคน้ไว้เจ้าไว้ตัวเจองเจ้าไว้ทเจ้าางาวฝกต่อมาสมเด็จก็ต้องเสียขอใหม่ดิถึงวันเวลาก็มีมลกบันญี่ปังตั้งสมเด็จต้องเสียพัด ถวายพถวายผ้ากายถวายตะแสะใหม่เสียธาตได้เอ็น ต, ต่อมาขอเล่าเรื่องที่มันไม่จบเนเรอเลเดจะตายมตัวเลยันวันนี้ฉันไม่จบเรนะื่องนลก็ขอสรุปข้าสุดท้ายวันหนึ่งพระชายาเมียโถช า, บาวบ้านเรื่องเมียเมียเมียดังเสือด้วยชายาเป็นเลย อย่างว่าจะโหว่วจบานเนกะสมเด็จพระจินีออก็คือเมียแหละเ <Yeah. S 2> คยคุยกันนะเ <Yeah. S 2> คยคุยก็ค <Yeah. S 2> ือเมีย <laughs> เราเหลือพลังจนีพระเด็จพลังินีเขาปวดหัวใะ่ใรนี้ก็คือเมียเนี่ย <Yeah. S 2> ่คคุณสองคนไปคนเรื่องเดวไปคนลเรื <laughs> <ป>่องับที่คุณเห็น ไอตอนหนึ่งเมียกาลังท้องแก่มันหมอเขาจะออกวันนั้นก็ไปวันวันพอดีวันพ ร, ระที่สุดแตโตจะไปเทศ่ยวทีรอสี่ท่านก็หนักใจว่าลูกมันจะออกมาจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไงนมากรุยเป็นไงไงเห็นไหมก็คิดก็บอกสุดแต่โตบ่อยเศร้าบอกวันนี้เมีจะออกลูกเมียเม่ย ม, ม, มีจะออกลูกก็ขอเชี่ยวได้น้อยหน่อยนะให้สบสบายใจ ท่านของเด็โดโตจนเอเทศเลยไปเทศเลยพราะเดียวเมื่อรถทึกมันก็ขึ้นเลยลูกออกมาทุกข์กขึ้นใช่ไหมตึง ต, ง, ตงของคราแล้วก็เพลงใสก็ขึ้นอรอศรีก็แต่งกรสับกระใสยอยากจะรู้แม่มันเป็นยังไงกเปยังไงใช่ไหมเด็โดโตก็เทศเลยไม่จบก็ลุกไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระมาก่อนรอศี พระพุทธเจ้าบอกทำโมคุกาตพูพระพุทธเจ้ายังรบับพระธรรมตอนนี้ตัวท่านเองไม่ครบรบพระธรรมยังไงขนาะเป็นนักปราด์มาก่อนเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้งเทีเดือยไปรอสิ่งก็ไม่สบายใจท่างก็เทียนเดือยไปรูเชียจ้าท่านนานที่สุดนานนะท่านทราบก่อนทาคิดใจมันเป็นไงท่ทราก่อนว่ามันจะตายจะไม่ตายถ้ามันจะตายเราก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมตั้งใจฟังเทศโต พอเริ่มจิตเป็นสุขก็ตัดสินใจเลยตั้งใจเสียทุก็กโก็เอวังอมีหรอวาจะเยอสุขให้ก็ไม่ว่าอะไรเียวเยอกว่าเออเราับกลนใช่ไหมตอนนี้มาอีกวันลาหนึ่งถ้าไม่เที่ยวทุกวันตาถ้าไปตั้งใจว่าโอ้วันนี้ลูกก็สบายแม่สบายทุกอย่างโปรงหมดงานงานต่องหมดใช่ วันนี้ตั้งใจฟังเทศรัขโตให้มีความสุขสัหน่อยแต่ฟังอสบายพอโตขึ้นไปก็ของเขาอรักถาชิเนเจริญนะโมโะตัสสะปะตัวโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบด้วยอะไรอะไรระหาบอภิตะโสสารอยู่แล้วอีวังของมีโดยนักราศีลูตศร วันนี้ต่างใจอย่ฟังเทศส บ, บายเสื่อม เ, เทศไปเทศไปแล้วหน่ว้นนก่นนอนอนลูกมันก็อย่าออกแล้วก็ห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งลูกแต่บ้นเทศไม่จบแล้วก็จิตใจไม่ไปสุขเธอบอกว่าพระเทเขาต้องเทศให้คนมีความสุขในขณะที่จิตยังไม่มีความสุขก็ต้องเทศให้มีความสุขให้ได้แต่วันนี้มีความสุขยุทธเทศอะไรกัน โอ้โหกันเองนก น, น, นั่งเยี่ยวเยี่ยวแตกเลยหวังอย่างนี้ใช่นี่จะฟังเมื่อกี้โมะมันมีเยอะเออย่างวันนี้จะมีแรงเลยอีวันหนึ่งกํลาลังนั่งนั่งเทกําลัง น, นั่งแส่งข้าอยู่ขอเจะยะิญฐานทเพียสมเด็จเยี่ยวแตกราดขึ้นมาหลายนองเลย ขเขาใหญ่ขจะบอกโคตรไม่แยกแตกเลยมันยังไม่ถึงเวลาลุกเลยมันยังไม่ถึงเวลาลุกมันไปไงแยกธาตุพียี่วัยธาวพี ไ, พไ อ, อขี้เยี่ยวใครห้ามได้อะโอโอโหคนในวางถุงหวยก็สะบัดเลยใบยหวยคือ <c> ท <oughs> ำไมโอโหถูกกระจมเลย นายไม่โหดแบบนี้ดีก็กลับมาลงเรือมีเรื่องอยู่แล้วมีวันหนึ่งปะเทศอยู่มือกันพอลงเละเข้าปากไอ้ผัวเมียไขมข้าวทะเลาะกันอีกไอ้ผัว ก, ก็ดา่าเมียเมียก็ดา่าผัวแต่ข้าวเต็มลำเยมั้งั่นมาตีากันไม่ได้สองคนไอข้ามาท้าวมตีกันไม่ได้ท่าเลยแวะนข้าไปไทยนูทะเลาะกันเรื่องอะไรโจรทจ์ถงจะ ทะเลาะกันเขาเราขายของขายของมีขายของผิดราคาอาจจะขายถูกไฟไหมถ้าก็ถามว่าราพราวทั้งลำเนี่ยราคาเท่าไหร่